Chat, อย่าจนอะไรเข้ามาวันนี้อาจจะเห <tomato. S 1> <nes>. ็นอะไรปแปลกๆต้นไม้เสร็จไปไม้ปนังตึกๆอันนี้เนื่องเดียวกันที่สิบแปดเสารที่สิบแปดพายุต้นไม้ข้างหลังต้นใสใหญ่ลมทับกรติ กุตีได้รับความเสียหายสองสามหลังหลังคาโบดถ์หลังคาลรงครัวพระครูฝ่าไปหมดเลยปนไม้หลายตน้น เราะว่าสมมัน่ยมันมันย า, าสัาง่งความกะไม่ถูกแล้วก็ช่งางก็เรียบแพงไม่เหมือนส้ง่ง <c oughs> ที่เหมือนกืเบื้องราคาบทมันลุ่นเก่าแล้วไม่ไม่แน่ใจว่ายังผลิตอยู่หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ <c oughs> เทศบาลเขาจะเข้ามาประเมิน วานสำหรับพุทธมาแล้วม <c oughs> ัศบาลในเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างจะมาประเมินความเสียหายบุคคน <c oughs> และต้วไม้เรายังไปพาดกำแพงข้ามบา้านฝั่งนน้นอีกแลก็รถโยมที่มาดูเลยพระ <c oughs> ดดรถลูงแก้วก็โดนเต็ม ใครพิบัตินั้นมีใครใอยากเกิดเจีงเขาไปแล้วว่าถ้าเขาต้องการให้เรารับผิดชอบอะไรดูยังบ้านเขาเราก็ต้องรับผิดชอบ <c oughs> <c oughs> นี่คือภัยเรี <c oughs> วยว่าภัยธรรมชาติ เกิดช่วงที่ไม่อยู่ไปงานวันเกิดตลงปู่ดำอุดรเครื่องยังไม่ทันลงทางนี้ไปซะแล้วก็ไม่เป็นไรช่วยกันเลยครูบาอาจารย์ก็มาช่วยเยอะ จากข้างจังหวัดจากข้างอำเภอเขตปกครองลำพูนเดิมก็ออมาช่วยช่วยเอวยอะจะควอมปกติเดิม <c oughs> แต่ตอนนี้ประเมินค่าเสียหายยังไม่ได้ทำไมอะไราตามคำลำัง <c oughs> อันนี้มันภัยธรรมชาติ ภัยเยกิดจาตัวเราบางทีเป็นไปตามธรรมชาติเหมือน่างกายของเราหุวพ่อครูสมยว่าทุกอย่างมันเขาเอาธรรมะมาให้ก็ไมนได้มาเฉยธรรมชาติเขาก็ทธรรมะเขาก็สอนเราเมื่อวาน แลาหลายคนสารพัดมาช่วยเรือบ้างแล้วก็เรื่องธรรมะบ้างได้ก็เรื่องธรรมะ <c oughs> สนใจเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐ า, านซึ่งปัจจุบันหลากหลายค <c> ร <oughs> ูอาจารย์พาเล็กแดดน้อยก็เริ่มมีบทบาท พวนี้เรื่องบบาทเรื่อแสดงท <ๆๆ S 1> นี่การแสดงออก <ๆ S 1> ก, ออก็เป็นปัญหาอีกเพราะว่ามันกลายเป็นการแสดงตนไม่ได้แสดงทำที่พูดพูดมาเป็นเรื่องการแสดงตนมากกว่าที่จะแสดงทำธรรมะมันกลายเป็นวิปริตผิดเพี้ยนทำไมถึงบอกว่าแสดงตน ต้องมาดูพระพุทธเจ้าเป็นหลักเรื่องเหล่านี้เอาพระพุทธเจ้าเป็นเกณฑ์เวลาพระพุทธเจ้าแสดงท่านแสดงตนแสดงพระองค์หรือ ว, ว่าแสดงธรรมพระองค์แสดงธรรมไม่ได้แสดงตนคือไม่ได้อวดตนเลยก็เป็นยังไงมางไาางไเพียงแต่เล่าประกอบเพื่อเป็นประโยชน์ในอดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่และคนมีความปัมาราไม่เท่ากันไม่เหมือนกัน เพานั้นโปร่งจะโปรดใครก็จะเล่าถึงคอามเปมาของอดีตก็คนนั้นเป็นยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงทำไมถึงต้องมาโปรทำไมถึงเป็นอย่างนี้แลวที่สาคัญคือที่ผ่านมาในอดีตชาติสร้างสมบัตบารมีมาทางไหนนิสัยบารมีเป็นยังไงขั้นเข้าใจก็จะได้ตามไปตามเหตุและปัจจัยนั้ น, น, น คือเขาทำอยู่แล้วเขามีนิสัยอยู่แล้วเขามีบารมีอยู่แล้วคี่เผมมาเพิ่มมาเติมเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเริ่มต้นจากศูนย์เลยไม่ใช่เป็นอันทุกปัจจุบันมันเริ่มมีอะไรที่ผิดแปลกแตกแนวเมื่อวานก็มีคนถามอย่างเนี้สุดท้ายก็คือ เอาคำพูดของคนนั้นคนนี้คนคนู้นครูบาอาจารย์ก็เดียเอามาถามแล้วเมืเ่อไรมันจะจบนไม่จบก็มาถามว่าหลวงพ่อองคนั้นพูดอย่างนี้หมายก็ว่าอย่างไงคนหนึ่งพูดแล้วไปถามอีกคนหนึ่งครูบาอาค์นั้นพูดอย่างนี้เป็นไงโอ้เหนื่อยก็เลย ม, มา คุยเริ่มต้นกันใหม่ว่าสรุปตอนนี้คือเราเราเชื่อใครเราเชื่อคนนอกจากพะพุทธเจ้าครูบาอาจารย์แ้าเราเชื่อใครแต่ที่สำคัญเกิดเราจะเอาใครเป็นหลักเอาให้ชัดเจนวัดเอาพระุทธเจ้าเป็นหลักก็เขาถ้ามาถามว่าแล้วพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไหม ผู้เช่าพูดอย่างนี้ไหมผู้เชาจัดอย่างนี้ไหมเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่เอาไม่ใช่แล้วคุณจะไปสนใจทําไมเสียวเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นมีสาระอย่างนี้อารมณ์มีสาระสาระแปลว่าแก่นคือแก่นคือสารมันไม่มีสาระเลยเล ย, เลยแล้วก็ถ้ามาฟังลราเอามา <c oughs> มาคิดมาปรุง ม, มาแต่งอันนี้เป็อันที่สองก็คือ คำถามเมื่ออายุเยอะแล้วพี่ตกกังวลว่าเมื่อจิตออกจากระั่าคือตายจะทําอย่างไรไม่เป็นคําถามที่ดีมันเป็นคำถามที่ทุกคนจะต้องตั้งคําถามและทุกคนก็จะต้องมีคําตอบคําถามและคําตอบนั้นมันอยู่ที่ไหน ตั้งการถามแล้วมันจะต้องมีคำตอบคือคำเฉลยคำแก่อายุของคนเรานี่ไม่เยอะอย่าตอนนี้ครูบาอาจารย์อย่างหกสิบก็พอไปไปอาพาธกันหนักหนาสหัสตอนนี้ก็หลายรูกไม่ได้เยอะเลยนะเริ่มเล็กเจ็บก็เริ่มละชีวิตคนเราอะไรอะไรที่มันสะสมมาทั้งชีวิตเข้าปลาอาหารโรคใครให้เจ็บ มนเริ่มแสดงนี่การแสดงตนนะทีนี้เรามองการแสดงตนเข้ามะเรามองว่ามันแสดงธรรมต้องเขาแสดงธรรมให้เรานี้เมื่อเขาแสดงเราก็ต้องฟังมีผู้แสดงแต่ไม่มีผู้ฟังพูดยังไงมีคนพูดแต่ไม่มีคนฟังก็ไมรู้จะพูดให้ใครฟังทรมากเหมือนกันที่เขาแสดงให้เราเห็นเราไม่ดู คืเราไม่ฟังร่างกายของเรายุ่เล็กเจ็ดแล้วมันก็เริ่มโรยราไปตานลำด่บงช่วงอันตรายเล็กเจ็ดเล็กแปดพอเล็กแปดขึ้นไปแล้วม่ต้องพูดถึงอันตรายสิ่งที่มีอยู่ก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่รงกำลังวําช้าอื่นๆประสิทธิภาพ ที่มีอยู่ทางหลายแหลมันก็ลดลงลดลงก็ะจะมีแต่ข้ออ้างไปนะนั่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไจะเอาวเวล า, าที่ไหนมาทบุญกันต้องมาดูพุทธเจา้าของเราพุทธเจ้าวัยแปดสิบปียังเดินอยู่เนปะ็นวาสุดท้ายจนล้มตัวลงจนได้หยุดพพุทธเจา้าของเรา ในขณะที่ก่อนที่จะ น, น, นัก็อาพาธหนักเรว่าายไม่หยุดถ่ายจนไม่มีแรงจนถึงต้นไม้สาละทั้งคู่จะได้นอนลองนอนตะเข่งก็ <c oughs> ยังเป็นห่วงพวกเราครั้งสุดท้ายก่ อ, อนหน้านั้นสามเดือนพระองค์ก็บอกแล้วเราปลงมาอยู่สำคัญ <c oughs> ในเดือนสามบอกอาจารย์นไปสามเดือน ข้างหน้า <c oughs> เราก็จะไม่อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ไม่อยู่ก็มีอยสองเรื่องที่ต้องฝากพวกเราคือทำกับวินัยสุสัดสดาแลยผู้ปกครองไม่ได้ฝากใครก็มีทำกับวินัยนี่แหละที่สาคัญทีนี้ถ้าททำก็ไม่เอาวินัยก็ไม่เอาวินัยมาถึงศีลไม่ได้ไปไม่ได้พูดถึงพระคําวินยยัยคือศีล <c oughs> คือกฎกติกาและเบียบข้อบังคับศินก็ไม่เอาทำก็ไม่เอายิ่เกิดอะไรขึ้นมองก็ไปตัวเปล่าม า, มาตัวเปล่าก็ไปตัวเปล่าเราจะไม่ได้อะไรเลยครูอาจารย์ก็ต่างคนต่างไปหมดสุดท้ายปลายทางอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าไผ่เป็นทางพิคโคหรือว่าพิกษุจึงแปลอีกหนึ่งว่าผู้เห็นไผ่ในวัต เหตุภัไม่ใช่ภัยธรรมดาภัยในวัตฏะจุจารณ์นั้นสุดท้ายก็กลัวที่ที่เลามาันงานก็บอกว่ากลัวแสดงว่ากลัวตายนั่นหละอยม <c oughs> มันไม่มีความมันคงกันตายแล้วจะไปไหน <c oughs> ถ้าเราทําประกันเอาไวนะ้มันไม่ใช่เรือ่องยากเหมือนคนทําประกันไว้ประกันชีวิตประกันสังคม สิ่งที่ทีก่กราประกันชีวิตแป๊นคนคืออะไรมันก็คือสินนี่แหละคือหลักประกันแต่ใครมีสินครบสินพร้อมคือสินห้า น, นี่คือหลักประกันชีวิตจริงๆโดยไม่ต้องลงทุนสักบาง <c oughs> ปนานาถปาตาเห็นไหมถ้าเราไม่ล่วงละเมิดไม่ทรมานตละกรรมเดยดเบียนซึ่งกันและกันก น, ก น, นั่นคือหลักประกัน ไ ม, ยยยยไม่ต้องเป็นห่วงคู่ตารางยายบ้านยายช่องไม่ต้องเป็นห่วงนั่นคือหลักประกันอธินาทานาเป็นนี่กับคู่นีก่กับประกันได้เลยการมีมาอศูนย์ผู้สอ์ไม่อยอาคุณผิดในกรรมโ ด, ย, ดยภาพรวมก็สี่ก็คือนี่คือเครดิตเลยมุสาวทาทา สุดท้ายนี่ประกันสังคมประกันชีวิตสารพัดประกันมันอยู่ในนี้หมดเลยมันไม่ใช่ประกันชาติชาติเดียวชาติหาถ้ามีศีลเป็นพุทธฐานเป็นพันธะฐานจริงๆไม่ต้องเป็นห่วไปดีโสุขติไปดีแน่นอนถ้าศีลเราครบเพียงแค่นึกถึงศีลในเบื้องต้นแค่นั้นแหละไม่จะ อ, อะไรมากถ้าเรายังไม่ฝึก ฝึกหัดจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นไปได้จริงๆคือเมื่อจิตออกจากร่างแล้วมันก็แปลว่าเหลือแต่ขันสี่แล้วมันไม่มีขันห้าแล้วปัจจุบันพวเรามีขันห้าอยู่เริ่มต้นที่รูปที่เหลือก็เป็นนามคือไม่ได้ชื่อเ <c oughs> มื่อรูปมันอยู่ไม่ได้อีกสีตัวคือนามตัวที่คมนามก็คือจิต ก็คือเวตนาที่ยาสังขารเหนกันคืออาการของจิตตัวที่จิตไปทีนี้จิตมันมีที่ต้องมีที่เกาะต้องมีที่ตั้งต้องมีที่จับมันออกแล้วออกเลยไม่ได้จิตมักหาที่เกาะต่อที่ตั้งเกาะจิตติถ้าเป็นจิตออกจากร่างแล้วชิตยานคือวิญญาณนั่นแหละถ้าเป็นทิฏฐิยานทัศนะ ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าทิฏยานคือยานมันเกิดยานมันตั้งขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่มีจิตมันก็ก่อต่อกาะอะไรมันก็เกาะรูปที่มันเคยจำมันจํารูปอะไรจําเรื่องอะไรมันก็จะเอานั้นมาเป็นตัวที่ตั้งเช่นในขณะที่จิตออกจากร่างสมมุติมันนึกอะไรขึ้นมามันจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็ตามอชังมาโวควายสมมุติ อยู่กับคนี้มือหมากาไกจิตมันนึกมาภาพแล้วมันก็จะปรากฏออกมาแต่มันปรากฏทางใจมันไม่ปรากฏทางตาเพราะว่ารูปมันดับแล้วมันไม่มีรูปแล้วรูปหยาบรูปละเอียดมันก็ปรากฏขึ้นมาจิตมันก็ก่อตัวนั้นแหละก่อรูปตัวนั้นทั้งรูปหยาบและรูปละเอียดแต่ในขณะที่ก่อมันมันมีสติ มันไม่เหือนที่เป็นอาศัยที่มันกรูรูปยากนี่อยู่มันเหลือแค่ขันสี่อย่างเราเนะี่ยขันห้าหรือแค่แค่นสีไปยึดรูเอาไปถ้าจิตตัวนั้นมันข้องอยู่ในภพการมาภพรูภพอรูภพมันก็ไปตามนั้นจิตสุดท้ายมันก็ไปตามนั้นอย่งถ้าเรานึกไปเอากระเบียบที่ฟังรสึกเหมือนคนฝันนั่นแหละในขณะที่ตาเราทําไม่ได้ปากทำไม่ได้หูตาจมูก มันทําไมนู่นเราจึงเห็นท่านเห็นี่เห็นนูนน่นแล้วเรานอนหลับนั่นแหละตัวที่เกาะผูกเกชาติจิตดวงนั้นเรียกว่าผวังคจิตจิตที่มันก่อผูกเกชาติตัวนั้นตัวที่พาเราไปถ้ามีแต่ของไม่ดีมีแต่ของหนอกของเสียร่างกายเหมือนตอนนี้ที่เรามีอยู่เนะี่ยเราจะไปคิดว่าตัวเรามีของดีมันมีแต่ของนอกของเสีย เพียงแต่ว่าหนังมันห่มเอาไว้มองไม่เห็นลองแหวกท้องกาไปข้างในมีของดีไหมมีแต่ของเน่าของเสียอันนี้คือสิ่งที่เรามองไม่เห็ น, น, นสิ่งที่เราไม่เคยได้คิดในชีวิตประจาวันแทบไม่ได้คิดเลยแล้จิตเราจจรป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปสุดท้ายเป็นยังไงเราไม่เคยได้คิดว่า น, นี่คือจิต ต้องเป็นใหญ่ต้องเป็นเรื่องสำคัญ <c oughs> แต่พวกเราก็เอากายเป็นใหญ่บำรุงดูแลรักษาสารพัดต้องการอยากได้นั่นอยากได้เพื่อสนองความต้องการก็คือตัณหานั่นแหละแต่ภาษาพระเรียกว่าตัณหาอะไรก็ได้แต่มันสุขสนองความต้องการของตัวเองแล้วพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วว่าเขาต้องการของมันไม่มีที่เส้นโซน่ มันไม่มีพอเพราะนั้นเราต้องเลือกเอา <c oughs> หลายครั้งหลายรอบเคอพูดอยู่เสมอ <c oughs> ในเมื่อมันความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องตัดสินใจระหว่างความต้องการที่เรามีอยู่ซึ่งมันไม่มีที่สิ้นสุดกับความจาเป็นเราต้องเลือก <c oughs> เลือก <c oughs> เอาระหว่างความต้องการกับความจำเป็นอันไหน ควรจะทําก่อนถ้าองค์ขอต้องการเนี่ยทั้งวันไม่มีพอแต่ถ้าเอาความจำเป็นมันพอเพราะมันจํากัดเจ็ดข้าวปลาอาหารมันจําเป็นต้องกินไม่กินไม่ได้แล้วก็กินเท่าที่จําเป็นเท่านั้นพอถึงเวลามันก็พอขงใช้ไม้สอยเหมือนกันเสื้อผ้าผอารมีเป็นสิบชุดร้อยชุดเราก็ใส่แต่ละชุดนี่มีจำเป็น อันนี้เรียกจำเป็นรนถะมีต่อให้มีเป็นร้อยคันเราก็ใช้ที่ร้อยคันนะอันนี้คือจําเป็นนะแต่ร้อยคันคือความต้องการที่เรามีอยู่ตรงความต้องการแต่จําเป็นนะอันเดียวถ้าเราคิดได้อย่างนี้เออเราจะเข้าใจชีวิตโอ้เรวแบบต้องการกับจําเป็นนะมันหน่างกันฟ้ากับดินนะเราจะเลือกอันไหนกนะันกต้องเลือกออความจําเป็นที่เราจะต้องใช้ ออกแค่จําเป็นก็พอเรียกว่าปัจจัยสี่นี่คือความจําเป็นถ้าไม่มีไม่ได้เด<ม>ือดรอนในขณะเดียกันเราก็รู้วัตถุประสงค์ด้วยว่าอันที่จะเป็นตั้งใจเพราะอะไรเช่นปัจจัยสี่เช่นบ้านเป็นตน้นมันก็มีเพื่อป้องกันแดดป้องกันฝนป้องกงันลมป้องกันหนาววัตถุประสงค์มีแค่นั้นไม่ได้มีเพื่อการใหญ่โตหรูหราอลังการ มันไม่ใช่ความจําเป็นนับเป็นความอยากเป็นความต้องการคนละเรื่องอันนี้เป็นตัวอย่างที่เจอในเรื่องของปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างนี้ในชีวิตประจําวันของเรามันแก้สบายมันจะเข้าใจสภาวะเข้าใจชีวิตเข้าใจความเป็นอยู่ของตัวเองดีขึ้นเมื่อเข้าใจตัวเองแล้วเราก็อยู่แบบพอเพียงพออยู่ได้เพราะว่าวันหนึ่งเมื่อมันอยู่ไปได้แล้ว ริงที่เราสะสมมาทั้งชีวิตว่าจะเรียกเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้สักอย่างเราก็ต้องคิดไว้ยังไงเสมอสุดท้ายจริงๆไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างเราจะเอาอะไรไปติดไม้ติดมือมันคือบุญอุศสมนี่แหละบุญกับบาปนี่แหละที่ติดตัวเราไปติดใจเราไปแต่นี่ถ้าบาปเยอะเนี่ยไปไหนทะนี้ ทำอะไรไว้ธรรมชาติของมนุษย์เรามีอะไรมันก็อินึกอเลมา ท, าทันทีในเร่งจึงเป็นทำไมต้องบ่ฝึกสติฝึกสติในชืวิตประจำวันฝึกได้ทุกเรื่องอะไรที่มากระทบปฏิฆาอาราธนาหนึ่นขึ้นได้มีสติอยู่เส ม, มอ <c oughs> สติเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องหนึ่งกันคุ้มครองดูแลรักษา ต, ตนเองซึ่งปัจจุบันเราขาดสติสิ่งที่เราขาด มันไม่แปลมันไม่มีมีแต่มันน้อยเหมือนสตังสตังเรามีทุกคนไม่มีใครไม่มีสตางนี่แต่มันน้อยมันไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายสติเหมือนกันทุกคนมีแต่มันน้อยเมื่อรู้ว่ามันน้อยก็เพิ่มหาตางเพิ่ม เ, เหมือนสตังนี่แหละหาสตังให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อเพียงพอการดำรงชีวิตสตินี่ก็เหมือนกัน ให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจหลักการอันนี้วันนี้วันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราปกติก็ามาวัดฟังธรรมสัามิสภาวนาเพื่อให้เกิดสตินี่แหละพระท่านก็นจะให้สติว่าทั้งหมดทั้งมวลในตัวทีว่เราอ้างยิ่งคือบุคคลตัวอย่างบุคคลต้ลตนแบบที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างจริงคือพระพุทธเจ้าพระธรรม พระธรมไม่มีเป็นรูปรานาตาพระสมอันนี้มีรูปรางนาตาปัจจุบันก็เหลื อ, อ น, นี้แหละอันนี้คือบุคคลตัวอย่างที่เราจะต้องเอาแบบเอาอย่างนอกนั้นไม่มีเลยคนนี้จะไปใส่ใจกับสิ่งอื่นที่เป็นจะเป็นทุกข์กับสิ่งอื่นจนมากเกินไปใ <c oughs> ห้เอาใจใส่พระัตนาใจคือคนของพระพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของบริยส่งอื่นๆ สุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็เหมือนเดิมทุกก่อนทุกหลังเหมือนเดิมถ้าทุกเกิดขึ้ น, นนะมันไม่ต่างกันถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเราก็จะร่วมชีวิตอยู่ยได้ด้วยความปกติด้วยความธรรมดาเนี่ยแหละคือธรรมะก็คือธรรมดาถ้าเราคิดได้อย่างนี้มันก็จะไม่ทุกมากเกินไปก็ไม่ร้องสุขมากเกินไป พอดีพอเพียง <c oughs> มันก็ฝากพเราทุกคนเพื่อเป็นแนวนึกนึกคิดปฏิบัติสำหรับวันพระวันนี้ก็ขอองวัฒนาทุกความช่วยเหลือที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันบำรุงเสนาสนะมาปฏิบัติก็ช่วยเหลือกันหลายคนที่แสดงเจตนารมแจ้งมา บอด้วยตนเองก็ตามแจ้งมาทางโทรศัพท์ก็ตามตามซื้อก็ตามก็ขอขอบคุณแนะนำของประธานสงฆ์ก็ขอขอบคุณ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนุทนาทุกความดีที่พวกเราในร่วมกันดูแลเสนาสนะอดูแลครูบาอาจารย์ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่ช่วยกันคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ว่าตามกําลัง เรามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอย่าไปเยอะเกินเยเกินกําลังอะไรก็ตามที่ทําเกินกําลังมันลําบากมันเดือดร้อนให้ทําตามกําลังมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นปีน้อยตําน้อยมีมากทำมากเพราะบุญมันไม่ได้เกี่ยวกับน้อยกับมากโดยคือเจตนานอยู่ที่ความดีมันไม่เกี่ยวกับวัตถุมันไม่เกี่ยวกันเลยกขออนุโมนาอีกครั้งหนึ่ง